ด้วยอำนาจแห่งบุญญาบา ร, รมีที่พระองค์ได้สั่งสมอบรมมาแต่อเนกชาตหากตกแต่งให้เป็นธรรมเนียมของพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ไม่ใช่เป็นแต่พระพุทธเจ้าพระองค์นี้เท่านั้นแล้วก็นอกจาก การเกิดการตัดสรู้การดับขันปรินิพานตรงกันแล้วก็ยังบุคลิกลักษณะของพระ อ, องค์ก็ผิดจากมนุษย์ทั่วๆไปแม้แต่เทวดาก็ไม่มีเช่นฝ่าพระหัตและฝาพระบาทนี่นะมีรอยกงจักมีรูปสัตว์ต่างๆ อยู่ในฝ่าพระบาทนันน่ะนี่คนธรรมดาสามัญไม่มีนั่นน่ะแล้วก็ที่จำได้อันหนึ่งเพราะองค์ประทับยืนอยู่แล้วอย่างนี้ถ้าจะเหลียวหลังคืนอย่างเงี้ยจะต้องไปหมดตัวเลยไอ้ข้อ ข้อผ่าบาดหรือว่าข้อใช่แล้วข้อผ่าบาดเนี่ยหมุนได้ฮะออหมุนได้รอบตัวเลยคนธรรมดานี่คนว่าเหลียวหลังมันก็เหลียวตั้งแต่คอนี่ไปเท่านั้นเองนะแต่พระพุทธเจ้าแล้วทรงเหลียวหลังนี่เหลียวต้องไปหมดทั้งตัวเลยเหลือแต่พระบาททั้งคู่เท่านะั้นหยุดนิ่งอยู่ไม่เคลื่อนไหว อันนี้เป็นมหาบุรุษลักษณะอย่างหนึ่งของพระพุทธเจ้าซึ่งคนธรรมดา ท, ทั่วไปไม่มีเลยและ ว, วันนี้ในตอนอยู่ครองราชสมบัตินั้นนะพระเกศานี่ก็ส่วนมากไม่ได้ตัดคนสมัยนั้นนะชอบชอบ ชอม้วนพระเกศานี่พระองค์ก็ต้องทำตามประเพณีของคนอินเดียก็ต้องมุ่นพระเกศาทำเป็นเก้ามผมเก้าอยนียทีนี้เมื่อพระองค์เสด็จออกบวชไปถึงแม่น้ำเนรัญชา พอดีมันก็เป็นเกาะทรายอยู่กลางน้ำนั้นพรอะองค์ก็พาม้ากันธกะข้ามไปสู่เกาะทรายนั้นแล้วก็จึงเอาพระขันตัดพระเมารีตัดผมนั้นแหละเอาพระขันตัดพระเมารีออกทีนี้ผมของพระองค์นะ เมื่อตัดออกด้วยพระขันเนี่ยนั้นแล้วปลายมันก็งอเข้าไปหาโคนของมันไม่ยาวอีกต่อไปเลยเพราะองค์ไม่ได้โกลผมตลอดพระชนมชีพอันนี้ก็เป็นมหาบุรุษลักษณะอันหนึ่งของพระเจ้าซึ่งคนธรรมดาสามัญไม่มีเป็อย่างนั้น แล้วก็พระชิวหาคือลิ้นยาวเมื่อเมื่อยืน่นโผล่ลิ้นออกมาจากปากนี่นะสามารถเอาเลี้ยวเข้าไปใส่ใบหู น, นได้ลิ้นของพระ อ, องคอ์คนธรรมดาเนี่แต่จะจพ้นปากนี่ก็ทั้งยากนั่นนะแต่พระโพธิสัตว์แล้วลิ้นยาว เอาเลี้ยวเข้าไปถึงหูนล่นแล้วบุคคลิกรกษณะอื่นๆก็มีอยู่มากเรียกว่ามหาบุรุษลักษณะสามสิบสองประการนันแล้วพยังมีอนุพยัญชนะอีกแปดสิบประการมันเหลือที่จะพรณ น, นาได้เหลือที่จะจำได้ เรามาพิจารณาเพียงเท่านี้ก่อ น, นับว่าเป็นสิ่งที่น่าอาัศจรรย์สำหรับพระพุทธเจ้าทั้งหลายนะนั่นแหละดังนั้นมนุษย์เทวดาทั้งหลายก็จึงได้มีศรัทธาเลื่อมใสอินพรมไม่เฉพาะแต่เทวดาพระพรหมจ น, นก็มาเคารพมากราบไหว้ลงมาเชื่อเชิญอาราธนาพระองค์ ให้แสดงพระธรรมเทศนาโปรดเวนายศารร์ทั้งหลายท้ามหาพรหมก็ยังมีกิเลสอยู่ยังยังละ ก, กิเลสไม่ได้หมดอันสําหรับพระพุทธเจ้าพระองค์ละ ก, กิเลสหมดสิ้นไปไม่มีเหลือเพราะฉะนั้นท้ามหาพรหมและพรหมทั้งหลายก็จึงได้ลงมากราบมาไหว้มาเคารพนับถือพระองค์ เป็นนั้นว่าโลกอันนี้น่ะเขาเคารพนับถือบุคคลผู้ที่ทำอาศวะกิเลสให้หมดสิ้นไปนี่พูดสั้นๆ <c oughs> ก็คงจะมีแต่คนอันธพาลเท่านั้นแหละที่ไม่นับถือท่านผู้สิ้นอาศวะกิเลสก็ในตำราก็กล่าวว่าพระอระหันต์ที่ถูกฆ่าตายก็มีอยู่เหมือนกันนะ ก็แสดงว่าพวกอันธพาลน่มันไม่เคารพเมื่อมันเกลียดมาแล้วมันก็ฆ่าได้มีในเรื่องหนึ่งในสมัยนั้นมีพระประเจกพุธิเจ้าบังเกิดในโลกมีพระประเจกองค์หนึ่งเที่ยวบินทบาทโปรดในคนในหมู่บ้านนั่น อยู่เสมอเสมอชาวบ้านก็ได้ทําบุญตักบาตรเป็นประจำมาในคราวนั้นน่มีหนุ่มน้อยคนหนึ่งไปเรียนวิชาดีกรวดมาบัดนี้เมื่อเดินมาเดินมาไม่เห็นพระปรจเจกท่านเดินตามทางมา เพื่อบินทบาทหนุ่มนั้นคิดว่าออคนคนนี้อยู่นอกกฎหมายนะกฎหมายไม่คุ้มครองหรอกถ้าเราจะทดลองวิชาดีดกรวดของเรานี่ถึงแม้ท่านตายเราก็คงไม่มีโทษเพราะไม่มีกฎหมายคุ้มคอรองพอคิดอย่างนี้แล้วก็ดีดกรวดเข้าไปใส่รูหูของท่านดีดใส่ รูขวาทะลุรูซ้ายเลยบัดีถึงขนาดนั้นเน่ท่านรู้ว่าท่านจะไม่มีชีวิตยอยู่แล้วท่านก็เลยเข้า้านเพาะไปสู่ที่พักของท่านภูเขานู่นท่านก็เลยไปนิพพานอยู่ภูเขากันธรรมะทีนี้ชาวเมืองเขา ปลูกศาลาไว้หลังหนึ่งเมื่อท่านวินทบาดมาแล้วก็นิมนต์ท่านขึ้นไปนั่งฉันบนศาลานั้นชาวบ้านก็ออกมากราบมาไหว้ท่านวันนั้นออกมาแล้วไม่เห็นท่านทีนี้เห็นแจ่บุตรคนหนึ่งอยู่นั่นเอ๊ะ yeah พระโคกเป็นเจ้าของพวกเรานี่ไปไหนหนอว่างั้นทุกวันนี้ท่า น, เ ห, นเห็นท่านมานั่งอยู่ศาลานี้แล้วว่างั้น ไอหนุม่มน้อยนั่นก็พาซื้อเลยโอ้ยบุรุษคนนั้ น, น, นฉันดีดกรวดเข้าไปในรูหูทะลุเลยเข้าใจว่าตายแล้วแหละว่างั้นแต่แล้วท่านก็เหาไปนูน่นหัวฉันทดลองวิชาดีดกรวดลองดูหัวชาวบ้านเราได้ทราบอย่างนั้นก็อไอแกนี่ไม่รู้จักบุคคลที่ควรเคารพกราบไหวบูชา นี่แกทำบาปนั้งนาแล้วแกไม่ควรจะอยู่ในโลกนี้ดอกชาวว่านั่นก็ลุมประชาทันหนุ่มนั่นก็เลยตาย <c oughs> อันนี้แหละอั น, นความไม่รู้อันนี้นะพูดให้ฟังความไม่รู้ดีรู้ชั่วไม่รู้ผิดรู้ถูกเป็นเหตุให้ทำในสิ่งที่ เป็นไปเพื่อความเสื่อมแห่งชีวิตมันก็เนื่องมาแต่ความที่ไม่ได้สังคมกับนักปราดบัณฑิตไม่ได้ฟังพาสิทธิ์ของท่านก็เลยไม่มีสติปัญญาไม่รู้จักคนดีคนชั่วนี่นี่แสดงถึงโทษแห่งความไม่รู้ การฟังอันนี้นะเขาไม่รู้เพราะว่ า, าไม่ได้ยินได้ฟังไม่สนใจในการฟังมันเป็นอย่างนั้นแต่บางคนได้ยินได้ฟังแล้วได้รู้ในตำหรักตำลาก็รู้ในทางผิดทางถูกแต่เมื่อกิเลสมันครอบงำจิตใจ อย่างแรงขึ้นมาแล้วมันก็ไม่กลัวเลยไม่กลัวบาปไม่กลัวความผิดมันร่วงไปได้เลยนี่ก็ถือว่าไม่รู้เหมือนกันแหละแบบนี้นะถึงรู้ก็เหมือนไม่รู้เพราะว่ารู้แล้วขืนทำลงมันก็ต้องมีโทษมันเป็นอย่างนั้นดังนั้นน่ะ การที่คนเราเกิดมาชาติหนึ่งๆเนี่ยที่จะได้พบองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ประเสริฐในโลกนี่นะแสนยากนักยากหนาอย่าว่าแต่จะได้พบองค์อุะพุทธเจ้าแต่ขอให้ได้พบศาสนาของพระองค์ก็ยังนับว่าเป็นลาบอันประเสริฐอยู่แล้วอย่างพวกเราที่เกิดมาในชาตินี้เลย เราได้มาพบพระพุทธศาสนานี่เมื่อได้ฟังคาสอนของพระตัวเจ้าแล้วอย่างนี้ก็เป็นเหตุให้เรารู้ดีรู้ชั่วเป็นเหตุให้รู้ผิดรู้ถูกเป็นเหตุให้รู้จักว่าสงสารวัตตะอันนีนะ้เป็นของไม่เที่ยงไม่ยั่งยืน เ, ออเมื่อสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นก็เป็นทุกข์ทนได้ยากลําบาก เหมือนอย่างชีวิตที่เกิดมาในโลกนี้เลยเมื่อมันไม่เที่ยงแล้วมันก็เป็นทุกข์ทนได้ยากลาบากอย่างนี้เลยเป็นอยู่ได้ด้วยอาหารหล่อเลี้ยงไว้ถ้าขาดอาหารลงไปแล้วนี่รูปนี่ก็อยู่ไม่ได้เลยเหตุนั้นมันถึงได้เป็นทุกข์นั่นแหละ <c oughs> การแสวงหาอาหารมาหล่อเลี้ยงรูปกายอันนี้ไม่ใช่ของง่าย ดังนั้นผู้ที่เป็นนักบวชมีพระพุทธเจ้าเป็นตัวอย่างเมื่อพระองค์เสด็จออกบวชไปแล้วพระองค์จึงฉันหนเดียวห น, น, นพระองค์ไม่ฉันหลายหนนี่เพราะว่าเป็นนักบวชเนี่ยมีชีวิตเนื่องอยู่ด้วยผู้อื่นถ้าว่าไปฉันหลายหนเข้าก็เป็นการรบกวนชาวบ้านให้ลำบากกัน พระองค์จึงได้ทำพระองค์ให้เป็นตัวอย่างของนั ก, กวดอื่นๆ <zie. S 2> ฉันมือเดียวฉันหนเดียวเท่านั้นแล้วก็แล <zie. S 2> ้วไปเมื่อพระองค์เจ้าได้ตัดสรู้แล้วพระองค์ก็ฉันหนเดียวเท่านั้นนี่แหละแต่แต่ในขั้งปสมวัคโตรที่การ พระองค์ยังไม่ได้บัญญัติวิกาละโพธิขาบทในตำราท่านกล่าวไว้ว่าพระที่บวชเข้ามาแล้วไม่ได้มักกล้ผลนี่ขมักจะ บ, บินบาททั้งเช้าทั้งเย็นอ่บินบาทไปชาวบ้านก็เขาก็ใส่บาทให้เพราะว่าเขาไม่รู้บัญญัติพระพุทธเจ้ายังไม่ได้บัญญัติห้ามก็เห็นว่าน่าบวดมาบินที่บาทก็เอา มีอาหารอะไรก็ใส่บาทให้ดันงนั้นวันนี้ไอ้ทขาบทนี่นะกลัวว่าจะทรงบรญญัติใจพิดโทษต้องรอการเวลาต้องชี้แจงเหตุผลแห่งการฉันหลเดียวเือหรือว่าชี้แจงเหตุผลแห่งการเว้น การขบฉันในเวลาพิการคือตั้งแต่เที่ยงแล้วไปจนถึงวันใหม่มันมีอนิสงอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นเพราะองค์ได้ชี้แจงพรรณนาให้สงทั้งหลายฟังอยู่ทั้งหลายครั้งหลายหนวันนี้ในคราวนั้นเรามีพระองค์หนึ่งที่พระองค์จะแนะนำให้ฉันหนเดียวพระองค์นั้นคัดค้านนะ ก็ฆ่าพระ อ, องค์นั้นทําไม่ได้เพราะหิวไหลดูก่อนภิกษุถ้าอย่างนั้นเธอบินธบาตได้มาแล้วเธอก็แบ่งแบ่งไว้ที่เหลือฉันแล้วนะก็แบ่งไว้ฉันเอาตอนเพลนอย่าทันให้เที่ยงนะฉันก่อนเที่ยงว่างั้นแต่ถึงางา น, นข่าพระ อ, องค์ก็อดไม่ได้ ถ้าไม่ได้ฉันเข้าเย็นอดไม่ได้คนวะทีนี้พระองค์ก็เลยนิ่งเลยฮะนี่พระองค์ก็เลยไม่รับสั่งอย่างไรต่อไปคราวนี้เพื่อนของพระองค์นั้นเมื่อเลิกประชุมไปแล้วก็ไปต่อว่าพระองค์นั้นคุณเนี่ยทำไมไปขัดขวางในเวลาที่พระองค์จะทรงบัญญัิสิขาบท วิในเพื่อป้องกันกิเลสความชั่วของพระภิกษุสงฆ์เนี่ยคุณเอาไปขัดจังหวะของพระองค์เป็นบาปานะวะงั้นโอ๊ยทำยังไงเนี่ยผมได้ทำแล้วได้พูดแล้วเออเอาออกพรรษาแล้วคุณหาดอกให้ทเทียนมาแล้วไปขอกมาโทษพระองค์สารภาพผิด ก็ได้ล่วงเกินแล้วตอนนี้ไปฆ่าพระองค์จะขอสำรวมระวังต่อไปใหม่ต่อครรษาแลวพระองค์นั้นก็ได้ดอกไม้ทุกเทียนไปขอขมาโทษพระองค์พระองค์ก็ไม่ว่าอะไรพระองค์ก็ให้ขมาและต่อจากนั้นเมื่อพระองค์ชี้แจงเหตุผลต่างๆได้ถามว่าใครข้องใจเรื่องนี้บ้างไอ้นี้ เมื่อไม่มีพระสาวกองค์ไหนคัดค้านเลยพระองค์ตัดถามถึงสามครั้งก็ น, นิ่งอยู่แล้วพระองค์จึงได้บรญญัติวิกาละโทษสิกขาบทนี้ขึ้นทิกสุบริโภคอาหารในเวลาวิกาลตั้งแต่เที่ยงแล้วไปจนถึงวันใหม่ต้องอาบัตปาจิตติ อ๋อสะสมอาหารไว้ข้างคืนแล้ววันรุ่งขึ้นเอามาฉันก็มีแบบนี้อ่าทรงห้ามทรงบัญญัติห้ามไม่ให้สะสมอาหารไว้ฉันในวันรุ่งขึ้นฉันได้มาแล้วฉันวันเดียวนั้นแล้วแล้วไปเลยสะละไปเลยอืวันใหม่เที่ยววินทท <c oughs> เทจบัดไหมเรื่องการโขกการฉันนี่เป็นปัญหามากมาย พระองค์เจ้าทรงบัญญัติถ้ำไว <c> ้ <oughs> นี่แหละเพราะฉะนั้นจึงว่าชีวิตของคนเราเนี่ยเป็นอยู่ยากยากการแสวงหาอาหารมาบริโภคอย่างนี้มันก็แสนยากแสนลำบากไอ้บางคนก็ไปทำบาปเพราะการแสวงหาอาหารนี่มากมายเอาจริงจริงเนี่ย คนไปตกนรกเพราะเสวงหาอาหารนี่เห็นจะมากหรือร่นนะมากกว่าการไปทำกรรมชั่วอย่างอื่นนี่น <c oughs> ก็อย่างเช่นพิกพวกที่ขออนุญาตฆ่าสัตว์ชำแหละเนื้อมันขายให้คนซื้อเอาไปบริโภคอยู่มันนะทั่วประเทศนี่วันหนึ่ ง, งมันไม่รู้กี่หมื่นตัว นอกจากจังหวัดแล้วผลิตมาอำเภอก็ข่าอีกบางแห่งตำบลอีกตำเปไปเลยคุณนะในกรุงเทพนั้นได้ทราบว่าหมูนี่วันละสี่ร้อยตัวไอ่ควายวัวไม่นับอีกมีมีคนคนหนึ่ง กูตัวท่าเพื่อนคงคิดอยากจะโปรดสัตว์เลยเข้าไปในโรงฆ่าสัตว์ออาไปเห็นวัวสองตัวเขากำลังจะเอาเข้าหลักค่านี่ก็เลยไปเจรจาขอซื้อกเขาอเห็นจะเป็นปูวัวพันเ่าที่มองดูเป็นวัวพัน ไปซื้อก็เขาสองตัวนั้นสามหมื่นบาทพอซื้อแล้วแกก็จูงเข้าไปวัดนูนไปวัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีวัดสังฆทานอำเภอบางคลวยจังหวัดนนทบุรีวันนั้นไปแสดงธรรมที่นั่นพอดีแล้วจึงมีผู้เล่าให้ฟังโอ้ยมีวัวสกคนหนึ่งอไปซื้ อ, อวัวสองตัวนี่มาซื้อเอาชีวิตของวันไว้หวังนั้น เออขออนมโมทนาสาธุกุ้ยแน่ว่าแต่แล้วก็อย่างว่านะั่นเนี่ยไอสองตัวเท่านี้หนึ่งไอที่พวกตายเนะี่ยมันหลายคนนี้หลายสิบเท่ามันตายสองไอพ้นตายสองตัวนี่ก็ไปเอาสวงตัวอื่นเข้ามาแทนอยู่นั่นแหละมนุษย์นี่อันะนั้นเราต้องคิดหลายอย่างนะ ประกอบกันเข้าเราเป็นเหตุให้เบื่อนายต่อโลกสงสารอันนี้อยากจะให้ค้นพ้นไปเลยเมื่อเราคิดหลายเรื่องหลายประการมาประกอบกันเข้านะแม้แต่ตัวของเราคนหนึ่งๆ น, นี่เกิดมานี่เมื่อเรายังไม่ได้มันม่นในศีล น, นี่มันก็ฆ่าสัตว์มาแล้วไม่รู้ว่ากี่ตัวแล้วนั่นนี่ บางคนก็ฆ่าสัตว์ใหญ่ก็มีฆ่าควายฆ่าวัวฆ่าหมูบางคนก็ไม่ได้ฆ่าสัตว์ใหญ่ฆ่าเป็ดฆ่าไก่ฆ่านกฆ่าปลาปูอะไรมูเนี่ยแต่ว่าอืม การฆ่าสัตว์หมู่นี้ไม่เป็นมรคาวรไม่ห้ามมรคห้ามผลถ้าเมื่อบุคคลรู้ตัวแล้วเห็นโทษของบาปกรรมเหล่านั้นแล้วสมทานสินแล้วงดเว้นสำรวมระวังต่อไปแล้วมาเจริญสมาธิภาวนาเจริญสมาวิวิปัสสนาไป ถ้าบุญกุศลเพียบพร้อมเข้าก็สามารถบรรลุมรรคผลธรรมวิเศษได้ในปัจจุบันชาตินี้ถ้าว่าไปฆ่าพ่อฆ่าแม่ฆ่าพระอระหรันต์ทำร้ายพระพุทธเจ้าจนถึงยังพระโลหิตไทฮอกขึ้นไปทำสงให้แตกจากกัน กรรมห้าอย่างนี้เป็นอนันตริยกรรมกรรมหนักถ้าใครทํากรรมห้าอย่างนี้อย่างใดอย่างหนึ่งอันนี้ตัดมักตัดผลเลยแม้จะฝึกตนทรมานตนยังไงยังไงในชาตินี้ก็ไม่มีทางจะได้มักได้ผลแล้วเที่ยงแท้ที่จะต้องไปสู่อาเวจีมหานรกอย่างเดียว ไม่ไปนรกหลุมอื่นไปอเวจีหลุมเดียวออมีอายุยืนอยู่เท่ากับพุทธันดรนหนึ่งว่างั้นอายุของไหนสัตว์นรกสัตว์อเวจีมหานรกเนี่ยพุทธันดรนนี่หมายความว่าในระหว่างพระพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งต่อกับพระองค์หนึ่งเนี่ย ที่ท่านกล่าวไว้ว่าระหว่างพระพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งต่อกับพระองค์หนึ่งนี่แผ่นดินจะสูงขึ้นได้ยอดหนึ่งจึงจะมีพระพุทธเจ้ามาตรัสรู้พระองค์หนึ่งไอผู้ที่ไปตกอเวจีมหานรกนะ่ก็ถึงจะได้พ้นจากอเวจีขึ้นมาไม่ทราวนานเท่าไหร่ นับไม่ได้หมายความว่านันพระองค์เจ้าบอกว่านับไม่ได้เอารูปเปียบเขาเข้าว่าเอาคิดดนนูนานแสนนานเนี่ยกลัวว่าแผ่นดินมันจะสูงขึ้นได้ยอดหนึ่งยดหนึ่งก็สี่ร้อยเส้นน ะ, อะลองดูสิมันนานขนาดไหน นี่ถ้าพวกทำมันั้นได้กรรมห้าอย่างนี้อย่างใดอย่างหนึ่งแล้วปิดกั้นมรรคผลนิพพานในชาตินี้เลยไม่ได้ต้องไปสวยวิบากกรรมมันั้นอยู่ในอเวจีนั่นอคนจากอเวจีมาแล้วถ้ามีบุญบุญกุศลที่ได้สร้างมาแต่ก่อนนั้นเอมีมันก็จะมาให้ผล ได้เกิดมาเป็นคนอีกถ้าบุญถหนหลังนั้นไม่มีไม่รื้ว่ามีน้อยก็ไม่มีทางจะได้เกิดมาเป็นคนต้องไปเป็นสัตว์สิ่งเดรัจฉานอยู่นับชาติไม่ทวนอีกกว่าจะหมดกรรมหมดเวรนั้นอันนี้แหละเพราะฉะนั้นพวกเราก็ชื่อว่าทุกคนไม่ได้ทํากรรมหนักถึงปว่า น, นั้นนะออ แล้วฆ่าสัตว์ตัดชีวิตก็คงไม่ได้ฆ่าสัตว์ใหญ่อะไรอย่างนี้เรามาสมทานมั่นในศีลแล้วภาวนาเจริญเมตตาแผ่ไมตรีจิตคิดให้สัตว์ทั้งหลายเป็นสุขทั่วหน้าอุดทิศส่วนกุศลที่ตนทานี่ให้แกสรรพสัตว์โลกทั้งหลายที่ยังคล่องข้างอยู่ในโลกอันนี้ นั่นแหละเราจะได้พ้นจากบาปจากกรรมมันนั้นไปเรื่อยๆเพราะว่าจิตเราเป็นผู้สนจิตมันสูงขึ้นไปเรื่อยๆมันไม่ตกต่ำผัดแย่งอะไรกันแล้วให้เอาภัยกันไปเรื่อยๆอนี่มันก็เป็นทางละอุปทานความยึดปั้นถือมั่นในขันห้านี่ว่าเป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นเขาออกไปได้ ดังนั้นไอ้คุณธรรมของพระโสดาบันน่ะท่านจึงว่าละสังโยชนสามขาดไปได้ท่นก็เพราะว่าพระโสดาบันท่านพิจารณาเห็นร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวตนเราเขาอะไระเช่นนี้เลยก็จึงละเว้นบาปอากุศลต่างๆได้โดยเด็ดขาดด้วยอำนาจแห่งอริยมรรคไปเลย แล้วก็จึงไม่ลูกคําในข้อวัดปฏิบัติไม่สงสัยในเรื่องบุญเรื่องบาปเรื่องคุณเรื่องโทษอะไรหมดนี้เรื่องคุณพระรัตนไกรัยหมนี้เรื่องข้อปฏิบัติที่พระพุทธเจ้าทรงแนะนําสั่งสอนหมดนี้ไม่สงสัยเลยอยินดีลงมือปฏิบัติตามร้อยเปอร์เซนตเลยนี่คุณสมบัติของกษัริย์ดาบันกษัตระโสดาบันทันละสังโยชน เครื่องผูกกิจใจให้คล่องอยู่ในวัตาสสงสารอันนี้ได้สามอย่างอย่างนี้นะดันั้นเราที่ยังไม่ได้บรรลุมรรคผลอะไรอย่างนี้เราจะยอมตนเป็นปุตุชนคนผู้หนาไปด้วยกิเลสอย่างนี้เรื่อยไปหรือนี่ก็ต้องถามตัวเองให้ได้ในเมื่อเราปฏิญญาตนเป็นบริษัทของพระพุทธเจ้าแล้ว เช่นนี้นี่จะมายอมตนเป็นปุตุชนคนหนาไปด้วยกิเลสอย่างนี้ล่ำไปหรือเนี่ยมันต้องถามตัวเองนะเพราะว่าเมื่อเป็นบุตรชนอยู่อย่างนี้มันก็เวียนว่ายตายเกิดอยู่ในโลกอันนี้ไปนรกบ้างอ่าขึ้นสวรรค์บ้างมาเกิดเป็นมนุษย์บ้างอได้เสวยสุขบ้างเสวยทุกข์บ้างไปในสงสารอยู่อย่างนี้ ไม่ชีวิตไม่กีรังยั่งยืนอะไรเลยมันก็เป็นอย่างนั้นแหละบุคคลผู้ที่ตั้งอยู่ในความประมาทนะไม่ได้ละไม่ได้พยายามที่จะดําเนินตามแนวทางของพระโสดาบันทั้งหลายดังกล่าวมานั้นเพราะฉะนั้นผู้ใดได้ทราบอย่างนี้แล้ว ธรรมดาคนเรานี้ถ้าหากว่าไม่ปฏิบัติตามคําสอนของพระพุทธเจ้าแล้วพอจะเป็นคนดีไม่ได้เลยแม้แต่ดีอย่างโลกโลกอย่างธรรมดานี้ก็ดีไม่ได้เลยคนเลวต่างๆคนชั่วต่างๆคนนั้นล้วนแต่ไม่ปฏิบัติตามคําสอนของพระพุทธเจ้าทั้งนั้นแหละอื เช่นอย่างความเป็นนักเลงเจ้าชู้อย่างนี้นะเป็นผู้มากมากในกามก็ อ, องค์เจ้าเขาว่าเป็นว้นทางความจีบจ้๊ายอันนั้นผู้ใดแสดงตนเป็นคนเจ้าชู้มันก็ไม่มีทางเจริญรุ่งเรืองได้เลยในชีวิตบางคนก็บาเพ็ญตนเป็นนักเลงสุปรา ชอบดื่มของมึนเมาให้โทษติดงอมแงไม่ได้ดื่มก็อยู่ไม่ได้แต่เลยกลายเป็นคนชั่วเป็นคนไม่มีสติปัญญาอะไรเลยวันนี้สมกับที่โทษของการดื่มสุราข้อสุดท้ายนั้นถอนกำลังปัญญาเหมนวมันถูกต้องเลยคนเมาจัดๆนี่ไม่มีปัญญาอะไรเลย <c oughs> มันไปทำลายเส้นประสาทในสมองในที่ไหนต่อที่ไหนเส้นประสาทของใจหมูนั้นแะทำให้เสื่อมคุณภาพไปเลย <c oughs> ผู้ใดบำเพ็ญตนเป็นนักเลงเล่นการพนันก็ทำตัวให้เป็นคนชั่วคนเลวไป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 ชักทุนคืนมาให้มันได้เอาไปมากลล้มลงไปไม่มีทางจะออกเงินได้เลยนี่ไอ้สังเกตดูคนที่ไม่ได้ปฏิบัติตามคำสั่งสอนของพุตตเถเจ้า น, ะนี่จะเป็นคนเลวทางนั้นเลย <c oughs> ดังนั้นเราต้องรู้จักสังเกต ให้ดีท่านผู้ปฏิบัติตามพระธรรมคําคสอนของพระเจ้านะจะเป็นครือข่าก็ดีเป็นนักบวชข้อดีก็เป็นคนดีนะเนี่ยเป็นครือข่าก็ตั้งเนื้อตั้งตัวได้ดีตั้งตัวให้เป็นหลักเป็นแหล่งให้ลูกหลานได้พึ่งพาอาศัย นั้นแล้วก็ได้ทะนุบำลุงวัดวาศาสานาด้วยคนที่บำลุงวัดวาศาสานาอยู่ทุกวันนี้กระลุ้นจะเป็นคนมีหลักฐานทางนั้นแหละมีอาชีพเป็นหลักแหล่งมีรายได้ไม่เิยเคืองก็จึงได้เกียรติมาบำลุงวัดวาศาสานาให้จเจริญรุ่งเรืองขึ้นไปได้ นี่คนเหล่านั้นไม่ชอ บ, บํำเพนบํนเพญตนเป็นเจ้าชู้ไม่ชอบดื่มสุรานี่ไม่ชอบเล่นการพ น, นันไม่ชอบคบคนชั่วเป็นมิตรมีแต่คบนักปลาดรับัณฑิตเป็นเพื่อนเป็นครูเป็นอาจารย์ดังนั้นคนเราจึงได้มีโอกาส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 เป็นเหมืนก็นไหมครับว่าไม่มีโอกาสที่จะได้ทําบุญกุศลคุณงามความดีให้แก่ตนของตนนี่นะมีแต่ไปทําความชั่วงเนี้ยมันก็ทําตัวให้เป็นเหมือนเพราะไม่มีผลดีอะไรต่อตอนเองทั้งในปัจจุบันและในเบื้องหน้าต่อไปไม่มีหวังที่จะได้รับความสุขอะไรเลยเพราะว่าไม่ได้ทําความดีอะไรไว้ หนึ่งนั้นผู้ที่มีศรัทธาแรงกล้าได้เอาตัวเข้ามาบวชเป็นชีเป็นขาวบ้างเป็นพระภิกษุสามนเณรบ้างโมนีนีนนะ่ควรจะรู้ตัวว่าเรามีศรัทธาแรงกล้าพอสมควรทีเดียวถึงได้มาบวชเมื่อมาบวชมาแล้วนี้ก็ต้องตั้งใจทำความเพียร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 ผู้มีปัญญานะ้วี่ยต้องการให้มีความสุขสม่ำเสมอไปไม่อยากให้มันมีทุกข์อันเกิดจากวิบากกรรมต่างๆตามมาสนองเอาให้เป็นทุกข์เรือดร้อนนะนี่ <c oughs> ผู้มีปัญญาทั้งหลายพื้นไม่ต้องการอย่างนั้นเลยเหตุอยงนั้นจึงได้เพียรพยายามละกรรมมันชั่วออกจากกายวาจาใจเรื่อยไป เพื่อไม่ให้มีบาปเข้ามาแทรกแซง <c oughs> แต่คนขาดปัญญาแล้วนี่สิมันลำบากมองไม่เห็นเลยมองไม่เห็นทางที่จะรับบาปรักรรมชั่วเหล่านั้นมองไปไหนก็ม่ได้ทางตันหมดเลยคนขาดปัญญาเป็นอย่างนั้น <c oughs> ดังนั้นคนเรามันทึงยอมยอมรับเอาบาปนั้นไป บาปก็จำเป็นทำยังไงได้มันหลีกเลี่ยงไม่พน้นก็หลงนั้นแหละคนส่วนมากนะคนผู้ขาดปัญญาเนะยถ้าผู้มีปัญญาแล้วท่านจะไม่ยอมอย่างนั้นเลยเอเราต้องพยายามละมันให้ได้บาปนี่นะอย่างนี้วันนี้ยังละไม่ได้วันหน้าต้องละให้ได้มันตั้งกติกากับตัวเองไปเรื่อยอย่างนี้ เพียรพยายามล่มันอยู่เนั่นแหะมันไปมามันก็เลยไม่เหลือวิสัยนะมันก็ละได้มันเป็นอย่างั้มันก็อยู่ที่ความเพียรนั่นสิแม้กิเลสอย่างอื่นก็เหมือนกันนะมันอยู่ที่ความเพียรความพยายามถ้าหากว่บุคคลขาดความเพียรแล้วไม่มีทางหรอกที่มันจะล่กิเลสตัณหาได้นะ แม้ว่าจะไปสเสวงหาอยู่ที่สงบสงัดอย่างไรก็าตามนะมันสงบแต่ภายนอกสิแบบนี้แต่ภายในจิตใจไม่สงบอย่างนี้นะมันก็ไม่ได้ผลอะไรเลย <c oughs> เมื่อไปอาศัยอยู่ในที่สงบสงัดอะไรอย่างนี้มันก็ต้องทำจิตให้สงบไปตามธรรมชาติด้วย นั่นมันถึงได้ผลนะนี่แหละจิตใจในี่ถ้าหากว่าเราไม่ภาคเพียนพยายามสำรวมระวังไม่พยายามรักษาจิตใจชื่นชมยินดียอยู่กบุญกับคุณแล้วนะมั <hiçbir> นไปไม่รอดจริงๆมันย่อห ม, มุนไปหาทางแห่งความทุกข์นั่นแหละถ้าขาดความเพียน สกัดกัน้นจิตใจนี่แล้วนะมันเป็ น, นั้นเพราะฉะนั้นเราต้องพยายามอย่าไปท่อไปถอยกันต้องรู้ว่าเรามีกิเลสอะไรอยู่ในใจไม่มีใครรู้ให้ตนได้นอกจากตัวของตัวเท่านั้นเนี่ยรู้ตัวของตัวเองได้รู้ว่าตนมีกิเลสน้อยมากเพียงใดอยู่ในหัวใจนี่ ก็รู้ทางนั้นแหละรู้ตัวเองได้เลยมันเป็นงั้นจะไปให้คนอื่นรู้ให้นะไม่ได้นะไม่ได้ต้องตนเองแหละรู้ตัวเองนะเมื่อรู้ว่าตนนั้นยังมีกิเลสอย่างนี้อยู่กิเลสอย่างนี้ยังมารบกวนจิตใจอยู่อย่างนี้น ะ, ะก็อย่าไปปล่อยให้มันรบกวนจิตอยู่อย่างนั้นเรื่อยไปสิอ่า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 มันก็สะสมให้มา ก, มา ก, มากขึ้นไปเรื่อยๆมันเป็นง น, นั้นฉะนั้นผู้ที่จะละกิเลสได้มันต้องเห็นโทษของกิเลสต้องเบือ่อต้องเบื่อจิตใจที่อยู่ด้วยกิเลสตัณหานั้นมันมีแต่ภัยอันตรายทั้งนั้นเลยมันไม่ได้เป็นคุณเป็นประโยชน์อะไรอ่ะ ไปบังคับให้คนไปทำการทำงานหลังสู้ขว้าหน้าสู้ดินแดดเผาร่างกายจนเหี่ยเกรียมไปก็มีทำกา ร, การงานอยู่กลางแดดตรงนี้หรือว่าไปถากไม่เลยไม้อะไรตรงนี้มันล้วนตั้งแต่างานที่เป็นภาระอันหนะัก ทำให้คนเรานั้นได้รับความกระทบ ก, กระเทือนทางกิจใจมากแต่ถึงอย่างไรก็ตามผู้ไม่รู้แล้วผู้ไม่รู้จากทางออกจากทุกข์แล้วแม้จะได้รับทุกข์อย่างไรอย่างไรมันก็ยอมรับเอายอมให้เป็นทุกข์ไปอย่างนั้นแหละเพราะมันชอบใจชีวิตความเป็นอยู่อย่างนั้นอย่างนี้แหละดังนั้นจึงว่า พระพุทธเจ้าจึงได้ทรงตรัสไวยในติลักษณะสูตรนะนสับเบสั่งขาราอนิจาติยะดาปัญญายปัตสติอัฒนิบินติโดเคเเอสะมโกวิสุทธิยาเป็นต้นซึ่งแปลเป็นใจความว่าผู้มีปัญญาทั้งหลายมาพิจารณาเห็นสังขารทั้งหลายทั้งปวง ก็เป็นของไม่เที่ยงโย่บ่อแล้วอย่างนี้มันก็ย่อมเกิดนิพพิธาความเบื่อหน่ายขึ้นมาเมื่อเบื่อหน่ายมันก็คลายความกำหนัดจินดีจิตก็หลุดพ้นจากอาสวะทิเลตเป็นอันได้บรรลุธรรมวิเศษคือพระนิพพานได้ก็เพราะใช้ปัญญาพิจารณาเห็นสังขาร น, นามรูปนี่เป็นของไม่เที่ยงไว้ย่งยืน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 เมื่อเพ่งพิจารณาดูอย่างนี้นะ้วมันก็เกิดนิพพิทาความเบื่อหน่ายขึ้นมาแล้วเบื่อหน่ายลามปรามไปถึงราคะตัณหานุ้นความรักความใคร่อันมนี้นะมันเป็นเหยื่อรอให้ติดอยู่ในทุกข์ไม่ใช่เป็นของดีพิเศษอะไรอ่าดังนั้นนะเมือ่อผู้ใดบรรเทากิเลสอันนี้ลงได้แล้ว ต้องพยายามรักษาจิตตัวเองไว้ให้มันได้อย่าให้มันหัวนกลับไปหากิเลส ข, ของเก่ามันต้องรักษาไว้ให้ดี mm hmm. เมื่อรักษาสมาธิจิตได้ mm hmm. เช่นนี้นะจิตก็ไม่เสื่อมจากบุญจากคุณเลยกิเลสก็แทรกแซงมาไม่ได้มันเป็นอย่างนั้นผู้ที่ ย่อย่อนในทางปฏิบัติก็เพราะเหตุว่าไม่ไม่เห็นแจ้งในแนวทางปฏิบัตินั้นว่ามันจะเป็นทางพ้นทุกได้ไม่คิดไม่เห็นหมายพราะว่าอย่างนั้นนะเพราะฉะนั้นจึงไม่ยอมปฏิบัติตามคำสอนของพระเจ้า <c oughs> ผู้ใดปฏิบัติตามนะี่ยมันก็เห็นผลขึ้นมาด้วยตนเองอย่างท่านทั้งหลายผู้ที่ปฏิบัติมา นมนานหมนู่นั้นนะท่านก่อนมีความมั่นใจในการประพฤติพรหมจรรย์ของตนเพราะท่านมั่นใจนั่นแหละท่านยึงอยู่ในพรหมจรรย์นั้นไปจนตลอดชีวิตชีวาอนญญาตโยมวางหมู่เนะ่ยแม้อยู่ไกลข้ามน้ำข้ามทะเลก็ยังไปเพราะด้ยความเชื่อความเลื่อมใสนั่นเองมัน เน่งนี้เมื่อความเชื่อความเรื่องใสเกิดขึ้นมีขึ้นแล้วใจก็เบิกปานทองใสใจก็ไม่มัวหมองแล้วก็ไม่รุ่ม อ, อกกุ้มใจเลื่องอะไรทั้งหมดใจนี้รู้สึกสม่ำเสมอไปมองดูอะไรก็เห็นเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาไปอยู่อย่างนั้น ไม่ได้มองติดอยู่เพียงแค่สมมติบัญญัติเท่านั้นมองเลยสมมติบรญญัติไปก็มองเลยเลยประสมมติกันก็มาสมมติเอาของไม่เที่ยงนี่มาติดต่อสังคมกันนะอันนี่นผู้อีปัญญาเนะี่ยเพ่งที่าจรณาดูแล้วไม่มีแก่นสารอะไรเลย มันก็คลายความยึดความถือลงเมื่อมันรู้ชัดอย่างนี้นะมันก็ไม่ถือมัน่นในกายอันนี้ว่าเป็นตัวตนเราเขาเอะไรเล ย, เลยก็ตั้งใจทาบุญทากุศลทาความดีไปเรื่อยๆอบรมอินทรีย์แก่กล้าขึ้นไปพร้อมกันเลย เพราะเมื่ออินทรีย์ไม่แก่กล้าแล้วแม่นจะพิจารณาเห็นอันห้านี่ทมเป็นจริงอะไรมันก็คนทุกข์ไปไม่ได้ขอให้เข้าใจเพราะบุญบา ร, รมีไม่ใช่ว่าทําวันนี้พรุ่งนี้แล้วมันจะเต็มเอาเลยทีเดียวเหมือนยังตักน้ําใส่ไอใส่หอใส่องค์ใส่ไหยอย่างนี้นี่มันมันอันนี้มันมันมีช่องว่างจํากัด ตักไปตักไปเนอะหนึ่มันก็เต็มได้ผมเต็มมันก็ล้นนะอันนี้ทั้นใดก็อย่างนั้นเนี่ยเมื่อบุคคลผู้บำเพ็ญเพียรภาวนาไปไม่ท้อไม่ถอยเพ่งพิจารณาไตรลักษณ์ให้บังเกิดขึ้นในใจบ่อยๆเข้าไปเพ่งพิจารณาให้เห็นว่า ธรรมชาติที่มันมีเกิดขึ้นแล้วมันมีความแปลควรแตกดับไปธรรมชาติเหล่านั้นมันก็นับแต่ร่างกายเนี่ยออกไปหาสิ่งภายนอกนู่นอย่างนีนะ้เมื่อเราเพ่งพี่นาเห็นตามเป็นจริงอยู่อย่างนี้จิตใจมันก็ไม่หวั่นไหวไปตามกระแสของโลกนั้นไม่ยอมตกเป็นท่าของตันหา อันตัรหานั้นไม่ใช่ว่าละมันไม่ได้ป่ะนี่นั่นแหละบุคคลสามารถละได้ว่าแต่ขอให้เบื่อหน่ายมันก็แล้วกันขอให้เบื่อหน่ายก็แล้วกันแต่ถ้าไม่เบื่อหน่ายแล้วอะไรอะไรก็ละมันไม่ได้เลยนี่ขอให้เข้าใจกันดังนั้นน่ะ อะไรก็สู้ความเพียนเพ่งพินิษเข้ามาในจิตใจนี้ไม่ได้มาดูกายดูใจนี่ให้มันแจียมแจ้งขึ้นด้วยปัญญาดูก็ดูให้เห็นในลักษณะสามอย่างว่านั่นแหละอย่าไปดูเฉยๆมันมีลักษณะสามประการประกอบอยู่ด้วยม ก, กมกรูขดีนมกขดีนอกรูปนอกน้ำอันนี้ออกไปก็ดี มีความไม่เที่ยงเป็นลักษณะมีความทุกทนยากลำบากเป็นลักษณะนี่มีความไม่ใช่ตัวตนเราเขาอะไรเป็นลักษณะอยู่อย่างนั้นเพราะฉะนั้นอย่าไปพิจารณาให้มันเห็นผิดไปจากความเป็นจริงดังกล่าวมานั่นนี่แล้วคุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์อย่างนี้ก็เห็นแจ้งประจักษ์ในใจ เห็นอย่างไรเห็นคุณพระก็เมื่อตอนภาวนาพุทธโธเข้าไปเกิดความรู้ความฉลาดขึ้นมาแล้วละบาปได้ทาบุญกุศลได้นี่สิพุทธคุณนะเกิดขึ้นในใจพะธรรมคุณก็ก็ตนเห็นแจ้งในสังขารนามรูปนี้ว่าเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเห็นแจ้งในบาปบุญคุณโทษ อ, อันมุนี นี่ก็เป็นพระธรรมคุณเลยจะเป็นอะไรล่ะจนมีศรัทธาภาษาทะยินดีปฏิบัติตามคำสอนของพระเถเจ้าแท้ที่ไม่เบื่อไม่น่ายปฏิบัติจนได้ผลจนใจสงบจนละบาปได้บำเพ็นบุญกุศลให้เกิดมีขึ้นในตนได้อย่างนี่นแหละสังขคุณนะให้รู้ไว้ คุณแห่งพระอริยสงฆ์สาวเกเจ้ามาสถิตสถาพรอยู่ในใจของตนนจึงกระตุ้นให้ทําความเพียรพยายามก้าวหน้าไปเรื่อยๆนีน่แหละคุณของพระสงฆ์ผูใ้ใดไม่มีคุณของพระสงฆ์อยู่ในใจนะผู้นั้นจักไม่ขยันมันเพียรไม่พยายามเรื่องมัน่ะ เพราะว่าพระสงฆ์สาวกของพระวิาพากเจ้าที่ท่านปฏิบัติดีปฏิบัติชอบแล้วนั่นล้วนแต่เป็นคนหมั่นคนขยันทั้งนั้นเลยฮะไม่มีใครเกียกร์คลานนะผู้รู้คำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วไม่มีไม่มีใครเกียกค์คลานเลยนี่แต่ขยันหมั่นเพียรเพราะว่าทำความดีตามคำสอนของพระพุทธเจ้าปแลวมันได้ผลนี่มันทำใจให้สบาย ทำใจให้เบิกบานกิเลสบาปประธรมก็เบาบางออกไปจากดวงขีดนี้อย่างนี้นะแล้วจะมาให้ขยันอย่างไรแล้วอันคนที่ไม่ขยันนั่นเนื่องจากว่ามันทําความดีไม่ถูกทางนะเมื่อทําไปแล้วมันไม่ได้ผลทางขิตใจแล้วใจก็ยังเศร้าหมองขุนมัวอยู่องั้นเนะี่ยมันก็เบื่อแล้วขี้ค้านแล้วไม่อยากทําแล้วแบบนี้ นี่มันเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเรื่องการทำความดีนี่มันก็มีเคล็ดลับอยู่เหมือนกันแหละแต่ผู้ใดทำไม่ถูกทางอย่างนี้นี่มันมันก็ไม่ได้ผลนะ mm. ทำไม่เกิดกลายเป็นคนเกียดคร้านขึ้นมาดังนั้นต้องระวังเราทำความดีเราภาวนาก็ให้ เห็นผลแห่งการภาวนาจริงๆให้ใจมันสงบลงไปจริงให้ได้ความสบายใจอย่างนี้นะความกังวลให้มันน้อยที่สุดลงไปเนื่องก็เห็นผลแห่งการภาวนาแล้วเมื่อก็ดูดดื่มภาวนาเรื่อยไปสิปานี้นะเรืงมนะันการรักษาศีลอย่างนี้ เมื่อตนรักษาศีลมาแล้วอย่างนี้รู้สึกว่าสบายใจไม่ต้องกลัวว่าใครจะมาเป็นศัตรูจะมาร้างผลาญตนเพราะตนได้ไปทําทุกข์ให้แก่เขาอย่างนี้นะไม่มีเมื่อมานึกถึงทบทวนดูคุณของศีลอย่างนี้แล้วก็ใจเบิกใจบานเอเอาทานที่ตนให้มาเมื่อมานึกถึงทานเข้าไป อย่างนี้มันก็พืม อ, อกพืมใจว่าตนมีปัญญาสามารถหาวัตถุสิ่งของมาได้แล้วตนก็ยังได้เฉลี่ยให้ผู้อื่นไปให้เขาได้ไปบริโภคใจส้อยมีความสุขสบายไปอย่างนี้นะเมื่อตนนึกได้นี้ก็เออบอิ่มใจขึ้นมานะพออกพอใจว่าตนมีปัญญามีความสามารถเฉลี่ยความสุขของตนให้แก่ผู้อื่นได้นั่น นี่ละผลแห่งทานนะทำให้ได้รับความเบิกบานใจสบายใจในปัจจุบันนะการปฏิบัติธรรมในพุทธศาสนาเนี่ยเมื่อผู้ปฏิบัติให้ถูกทางคือว่ามีโอปนญายโกให้น้อมเอาคำสอนของอุตตเจ้าเข้ามาภายในใจนี่เสมอเสมอแล้วรับรองว่าไม่ผิดเน่ ไม่ผิดดังอปปนากาปฏิปทาคือข้อปฏิบัติไม่ผิดสามอย่างที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้นั้นทานการเสลี่ยความสุขของตนให้แก่ผู้อื่นนี่นะหรือว่าทานแปลว่าการสละวัตถุสิ่งของของตนเพื่อเป็นประโยชน์แก่ผู้อื่นนี่ ปพัชชาถือบวชเป็นอุบายเว้นจากเบียดเบียนซึ่งกันและกันชาคริยานุโยคประกอบความเพียรพยายามละอาสวะกิเลสตัณหาอยู่ในจิตใจอันนี้ให้เบาบางออกไปไม่เห็นแก่ความหลับความนอนเกินไปห <c oughs> รือว่าอีกอย่างหนึ่งก็อินียสังวรสำรวมอินียหก คือตาหูจมูกกลิ้นกายใจไม่ยินดียินร้ายในเวลาเห็นรูปฟังเสียงดมกลิ่นลิมรถถูกต้องโหตภะรู้ธรรมรมด้วยใจโพชเนมัตตัญยุตารู้จักประมาณในการบริโภคอาหารแต่พอควรไม่มากไม่น้อยอชากรลยานุโยกประกอบความเพียรละสิ่งที่ควรละ กระทำบำเพ็ญสิ่งที่ควรบำเพ็ญให้เกิดให้มีขึ้นในใจะก็นั้นเรียกว่าเพียรไม่ยามละบาปอันที่มันเกิดขึ้นแล้วนะให้มันหมดไปสิ้นไปพยายามบำเพ็ญบุญกุศลที่ยังไม่ได้ทําให้เจริญงอกงามขึ้นในตนอศินไม่มีกระทําสินให้มีให้บริสุทธิ์ยิ่งยิ่งขึ้นไปสมาธิยังไม่แน่วแนก็พยายามทําสมาธิให้มันแน่วแน่ไป ปัญญายังไม่เกิดพยายามอบรมปัญญาให้เกิดขึ้นในตนให้ได้นี่คนเรามีปัญญาสะอย่างเดียวแล้วก็เอาตัวรอดจากทุกจากภายในวัตทสงสารดังแสดงมา